บทภาชณีหนึ่ี่สอารามที่มีภิกษุภิกษุณีสำคัญว่ามีภิกษุเข้าไปสู่อารามโดยไม่บอกภิกษุที่มีอยู่ต้องอบัตตาจิตีอารามที่มีภิกษุภิกษุณีไม่แน่ใจเข้าไปสู่อารามโดยไม่บอกภิกษุที่มีอยู่ต้องอบัตทุกกตอารามที่มีภิกษุภิกษุณีสำคัญว่าไม่มีภิกษุเข้าไปสู่อารามโดยไม่บอกภิกษุที่มีอยู่ไม่ต้องอบัตอารามที่ไม่มีภิกษุ ภิกษุณีสำคัญว่ามีภิกษุเข้าไปสู่อารามโดยไม่บอกภิกษุที่มีอยู่ต้องอบัตทุกกฎอารามที่ไม่มีภิกษุภิกษุณีไม่แน่ใจเข้าไปสู่อารามโดยไม่บอกภิกษุที่มีอยู่ต้องอบัตทุกกฎอารามที่ไม่มีภิกษุภิกษุณีสำคัญว่าไม่มีภิกษุเข้าไปสู่อารามโดยไม่บอกภิกษุที่มีอยู่ไม่ต้องอบัต